ไโอกาสเพื่อนสัตธรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีระยาติธรรมทุกท่านนะนั่งตามสบายๆเนาะอีกอสองสาวันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วนะก็เป็นวันที่ชาวโลกก็จะเพลิดเพลินไปนะกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะมีความสนุกสนานต่างๆกันมากมายเนาะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นนันทิ ก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผลพรธรรมลมเนาะการที่เราเพลิดเพลินไปนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราต้องไปเวียนบ่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะเพราะจิตของเราเนี่ยแหละมันมันจะไหลไปตามกิเลสอยู่แล้วจะไหลไปง่ายนะเหมือนกับน้ำเนี่ยมันจะไหลไปที่ต่ําง่ายนะเพราะฉะนั้นใจที่มันชอบเพลิดเพลินไปนั่นแหละมันก็คือไหลไปในที่ต่ําในง่าย <c oughs> แล้วก็เป็นความสนุกสนานเนาะเป็นเป็นทางที่เรียกว่าเราจะต้องไปเวียนไหวไตเกิด <c oughs> นับพบนับชาติไม่ถ้วนนะนะแต่การที่เร า, ามาวัดเนี่ยเราก็อละความเพื่อเพื่อนเหล่านั้นมาได้ <c oughs> มาเพื่อเพื่อนในทางทำแทนเนาะมาอาทําวัดกันฟังธทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่เรามา ใหใจในะมีความเพลิดเพลินในทางธรรมเนอะ <c oughs> อันนี้ก็เมื่อเมื่อตรงนี้เป็นเป็นการสวนกระแสนะจากการที่ว่าเราจะไปในทางโลกเราก็มาในทางธรรมเนี่ยมันก็น้ําแทนที่จะไหลลงแบงล่างแล้วก็ให้เขาไหลกลับขึ้นมานะเพราะการปฏริบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเหตุให้เรารู้เท่าทันนะในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรา ความเพิดเพลินที่เราเคยยินดียินร้ายมันก็จะได้ลดลงกลับมาสู่ความเป็นปกตินะแล้วก็ใสยความปกตินั่นแหละมาพิจารณามาเข้าใจมาเรียนรู้ธรรม <c oughs> ที่เกิดขึ้นในกายและใจเราเ <c oughs> นาะ <c oughs> ปีใหม่มันก็เป็นสิ่งเหล่าหนึ่งที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนะเพราะจริงๆแล้วชีวิตเราทั้งชีวิตนะมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเองนะที่นี่เดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> คือความจริงของเราในขณะนี้นะมันมันจะไม่มีวันพรุ่งนี้นะไม่มีเมื่อวานนี้นะมันจะมีแค่ที่นี่เดี๋ยวนี้นะนี่แหละคือความจริงของของเรามันอยู่แค่นี้เองนะส่วนวันพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนวันพรุ่งนี้ก็อยู่แค่ในความคิดนะหรือเมื่อวานก็อยู่แค่ในความคิดเท่านั้นเอง เราจะต้องไปดึงดึงขึ้นมา <c oughs> แต่ปัจจุบันเราไม่ได้ไปดึงนะเราเป็นแค่อ่าความจริงที่ปรากฏตรงหน้าเราเนี่แหละคือความจริงนะความจริงมันก็ตรงนี้เท่านั้นเองนะชีวิตเรามันไม่ได้อยู่อะไรที่ไหนเลย <c oughs> ไม่มีอดีตไม่มีอนาคต <c oughs> อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง <c oughs> อย่างเช่นอ่าเรา เมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรนะอันนี้เราก็ต้องไปใช้ความคิดแล้วเนาะหรือเย็นนี้เราจะทำอะไรเราก็ต้องใช้ความคิดนะแต่ว่าขณะนี้เรากําลังทำอะไร <c oughs> เราไม่ต้องใช้ความคิดนะแต่เป็นก า, การแค่รู้เท่านั้นเองนะอย่างเช่นเรานั่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรากำลังนั่งนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่แล้วนะมันก็ใส่เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะ ห ร, หรือเราหนาวนะเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราหนาวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือความหนาวที่เร า, าสามารถรู้ได้นะหรือไม่แต่ความง่วงนะเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราง่วงหรอกแต่มันคือความจริงเนาะเราอาจจะหิวนะมันก็คือความจริงหนึ่งนั้นนี้เราก็ไม่ต้องใส่ความคิดเนะนะาะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนี้นะมันถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันไม่ต้องใส่ความคิดแล้วมันก็คือรากฐานของกาปรปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> เพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีปรากฏขึ้นมาสองอย่างเท่านั้นเองนะคือรู้หรือหลงเนาะถ้าเรา <c oughs> เรารู้เนี่ยเรารู้ <c oughs> การที่เรารู้เนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องใส่ความคิดนะแต่ถ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยเขาเลยไปลักคิดหรือว่ามันหลงไปหลงไปในความคิดตรงนี้เราก็ต้องรู้ทันนะเพราะรู้แล้วหลงมันเป็นสีตรงกันข้ามนะ เพราะนั้นการที่เราปฏิบัติทำก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเราไม่ต้องใส่ความคิดเลยออกจากความคิดได้ <c oughs> เป็นการสัมผัสรู้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสิ่งเรานี่เป็นความจริงนะการมาทำนี่เราต้องอยู่กับความจริงในะปัจจุบันนี่แหละเราจะได้ออกจากาสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาได้นะคราวนี้การที่เราจะอยู่กับปัจจุบันเราจะทำอย่างไรนะเราก็อาศัยความรู้สึกตัวเนี่แหละมาเป็นสิ่งอยู่กับปัจจุบันนะอาศัย สิ่งที่ <c oughs> มีความจริงคืออะไร <c oughs> ความจริงที่เรามีอยู่นะจริงจริงนอกจะไปบันแล้วมันก็มีอีกสองอย่างคือมีกายและใจนะนี่คือความจริงของเรานะกายและใจเขาก็จะแสดงอาการต่างๆให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะอาการที่เขาแสดงเนี่ยมันก็เป็นภรรยรักอย่างที่ว่านั่นแหละแต่คราวนี้เราก็กลับมารู้ <c oughs> ความจริงของกายแต่ละขษณะตามความเป็นจริงนะ เช่นเรานั่งตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเรานั่งนะอันนี้เป็ว่าทําจบแล้วนะอถ้าเราคิดเนี่ยเรารู้ว่าเราคิดไปเนี่เป็ว่าทําจบแล้วนะะแม้แต่เราเดินนะเรารู้เราเดินนี่ก็แบบทําจบแล้วนะเพราะพรุทธเจ้าได้ตัดไว้ในสติปัฏฐานสูตรบอกว่าเดินให้รู้ว่าเดินยืนให้รู้ว่ายืนนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนะคือกลับมารู้ความจริงในปัจจุบันนี่แหละว่ากาลังทําอะไรอยู่ มันเป็นสิ่งที่มั น, มนง่ายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากอะไรนะแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่า <c oughs> เหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแ ข, ดแขนก้มเงยนะทรงจีวรสังคาติดื่มกินพูดคิดอุจจระปัสสวะลิ้มดื่มเคี้ยวต่างๆ า, งางแล้วเนี่ยก็ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยูนะ่คือกลับมารู้ความจริงในปัจจุบันนี่แหละเกิดอะไรขึ้นในทางกายก็ให้รู้ทันนะ การที่เรารู้ทันทางกายในแต่ละขณะนะมันจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะบางท่านอาจจะยกมือสร้างยังหวะหรือพลิกมืออันนี้ก็คือความจริงเหมือนกันนะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่กับความจริงแล้วตรงเนี้มันมันไม่ต้องคิดก็ได้เพราะเป็นเป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะการที่เราอยู่กับปัจญญานเนี่ยมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตัวได้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวกัปบปัญญานเนี่ยจริ ง, รงๆก็คือตัวเดียวกันนะ แต่ถ้าเขามีความคิดเกิดขึ้นสังเกตไม่ว่าเขาจะคิดเป็นอดีตหรือนาคตทับทั้งนั้นเลยนะมันเป็นการหลุดออกไปจากปัจจุบันนะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเขาก็จะไม่ไหลไปนานนะ <c oughs> สมมติเรานั่งเล่นๆนะนั่งเล่น ๆ, นะน เ, นๆเพลินๆไปเนี่ยเขาจะคิดไปเรื่อยๆคิดไปห้าเรื่องสิบเรื่องนะเราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันไหลไหลไปเรื่อยๆในอดีตหรือนาค เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะแต่เมื่อเรา <c oughs> อยู่กับปัจจุบันมีเครื่องรู้อยู่กับปัจจุบันแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่ไหลไปนาน <c oughs> เพราะว่าอาดีตหรืออนาคตนั่นแหละนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันแปลกปอมเข้ามาจากปัจจุบันนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วเขาก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นโดยวิธีการเนี่ยก็เลยเราก็อยู่กับนะฐานกายก่อนนะให้มีการเคลื่อนไหวอนะอยู่เรื่อยๆ พ ร, ระลวงพเทียรบอกว่าอย่าอยู่นิ่งนะให้เรามีการเคลื่อนไหวอยู่เช่นมีการสร้างยังวะเลินจงกรม <c oughs> หรือรู้ในอบทต่างๆทีน่นอกรูปแบบต่างๆลืมกินพูดคิดทั้งหลายเราเนี่ยให้มีตัวรู้อยู่กับทางกายให้ได้ก่อนนะ <c oughs> การที่เราอยู่กับทางกายเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะรู้สึกเนี่แหละนะเมื่อเราเมื่อเรารู้สึกแล้วนะจิตมันก็ไม่ไปไหนมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้ได้บ่อยๆนะ นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาหลุดออกไปจากความรู้สึกเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันหลงไปนะเพราะเรามีเครื่องอยู่ของจิตแล้วคือความรู้สึกนะรู้สึกนะเป็นเป็นความจริงไม่ต้องใส่ความคิดนะคราวนี้ <c oughs> เมื่อเราทรงเนี่ยหลวงพ่เทียงบอกว่าอย่าไปเพ่งเานะไม่เพง่งไม่จ้องนะถ้าเราไปคอยเพง่งอันนี้เราก็ไปบังคับคือแล้วนะ่บังคับมันไม่ใช่เป็นความจริงใช่ไหมมันเป็นสภาพว่าทำอย่างหนึ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาเองนะ การที่เราไปสร้างเขาเราไปบังคับนะเราก็จะไม่เห็นความจริงว่าจิตเขาคิดได้นะก็ไม่ใช่เขาคิดไม่ได้แต่เมื่อเราไปบังคับเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่คิดนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราเราจึงไม่ไปบังคับเขานะเพราะการปฏิธรรมที่แท้จริงก็คือนะให้เรารู้ตามที่เขาเป็น <S <S ไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เรา <S <S เร า, เราต้องการนะส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยก็อยากอยากจะดีนะอยากจะให้เขาดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบังคับเขาจิตนะ จิตไม่สงบก็ทำให้เขาสงบนั่นแหละนะจิตฟุ้งซ่านก็ทําให้เขาไม่ฟุง้งนซะ่านจิตโกรธก็ทําให้เขาไม่โกรธนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเราไปไปบังคับควบคุมเขา <c oughs> ไปกดดันเขาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะตรงนี้มาเราก็ไม่เห็นความจริงนะว่าจิตเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะจิตเขาทํางานเองได้ไหมนะ เพรา ะ, ะการที่เราสามารถที่จะเห็นไปตามความจริงที่เขาเป็นเขาก็จะแสดงปัตยรักขึ้นมาหเห็น ใ, นในสภาวะที่เราบังเขาก็ไม่ได้หรอกเขาก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตายเราเห็นเพราะเราเราไม่ได้บังคับเขาแต่เราดูความจริงในการที่เขาเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละหนาะเราก็เห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของทุกทุกสภาวธรรมนะนนี่ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนานะ ส่วนการเราไปบังคับกดข่มเขาให้เขาเป็นตามที่เราต้องการ <c oughs> จากดีอาจากไม่ดีทำให้เขาดีนั่นแหละอันนี้เรียกเป็นสมถนะเนาะแต่สมถะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสิ่งต่างเป็นสิ่งที่ดีสมถะก็เป็นสิ่งที่ดีพอทาให้จิตดนะีจิตสงบได้กลว่าเราก็ต้องรู้ว่านั่นแหละคือสมถะหรือวิปัสสนานั่นคือการที่เราไปบังคับเขาไหมหรือว่าเรารู้ตามความเป็นจริง นะเพราะยิงถ้าเรารู้ตามความจริงเราก็จะเริ่มเข้าใจได้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันก็มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวไม่เท่ตนเนาะอันนี้มันในสุดจิตก็จะเข้าใจทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเพราะนี้มันเป็นหนทางแห่งพันิพานโดยตรงนะชีวิตของเรามันไม่ได้ยาวนานนะบางทีเรากว่าจะพบทานที่แท้จริงเนะนี่ยมันใช้เวลามากแล้วเราก็หลงทางกันมาไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะ บางบางท่านก็แบบมาหลายสิบปีแล้วนะแต่ว่าเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าการปฏิธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกับจิตฤทธิ์เราไหม <c oughs> คำว่าตรงกับจิติ้นั้น <c oughs> มันไม่ใช่ว่าไปบัติแล้วนีะมันจะต้องเกิดนะสภาวะธรรมเช่นมีความสงบบ้างนะหรือเห็นนิมิตบ้างนะหรือเกิดอาการนะทางจิตที่นะมีภินะัิหารต่างๆนะนั้นไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็น <c oughs> แต่เพียงแต่เราสังเกตได้ไหมว่าความทุกขเราลดลงไปไหมนะหรือว่าอกิเลสเช่น <c oughs> ความโกรธนี่ยแหละมันลดลงไปไหมหรือว่ามันเท่าเก่าหรือมันเพิ่มขึ้นนะปะบัพธธรรมแล้วมันมันเป็นอย่างไรนะมีความทุกข์มากไหมหรือว่ามีความสุขมากเพิ่มขึ้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราสามารถสังเกตได้นะอนะถ้าเราไ ป, ปบัพธธรรมมานานแล้วเราก็ดูแล้วความทุกข์มันลดลงเนาะ ความโกรธก็ลดลงเนี่ยแสดงว่าเราน่ายากปฏิบัติธรรมได้ถูกทางแล้วนะแต่เราทําแล้วมันตรงนข้ามเนี่ยเราก็ลองสังเกตดูว่าเออเราปฏิบัติธรรมถูกทางไหมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตให้ได้นะ ม, นมันก็จะวนเวีย น, นเวียนไปในสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถที่จะบังคับก็นั่นแหละแต่เราก็พยายามไปบังคับเขาให้ก็เป็นไตามที่เราต้องการเราเราก็จะมีความทุกข์จากการไปบังคับเขาเองนะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นที่ฐานกายให้ได้ก่อนนะเราก็มาอยู่กับฐานกายนะหลวงพ่อคำเค็มบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะการเราอยู่ฐานกายเป็นสิ่งเราง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ไปคอยเพ่งคอยจ้องเขาอ่าต่างๆเหล่านี้นะยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าใครที่อ่าไม่ได้อยู่ฐานกายก็ไปบังคับจิตก็มีนะอ่โดยการอ่ารู้อาณาปานสติเป็นต้นหรือไปใช้คําบริกรรมต่างๆเราเนี้ย อันนี้ส่วนหนึ่งนะเราก็ไปตั้งใจมากเกินไปในตรงนั้นนะถ้าคนที่ใช้อนาปนานสติเป็นสิ่งดีนะแต่ว่าถ้าจิตไม่ละเอียดพอมันก็จะเกิดการมึนหัวการเวียนหัวต่างๆตามมาเนาะแต่ถ้าคนที่ใช้ด้ถูกต้องจะรู้สึกมันก็สบายแล้วก็ตามรู้รู้ใจรู้ความคิดต่างๆได้เพราะสายลมนั่นแหละเป็นพื้นฐานของฐานกายเหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนที่มีจิตหยาบไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิ ให้จิตเกิดความสงบได้จริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ฐานกายเป็นสิ่งที่มันง่าย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันยากนะเราสามารถที่รู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อาศัยตรงเนี้ยนามาใช้ในช <c oughs> ีวิตประจำวันได้จริงๆนะการที่เราไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเฉพาะเดินโยกมุมหรือสร้าง14จงังหวะแต่ในชีวิตประจําวันเรานั้น <c oughs> เรามีการกระทําต่างๆมากมายนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟัน อาอบน้ำนะหรือไม่ก็พับผ้าห่มต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเติมความรู้สึกเขาเ้าไปตรงนั้นได้เลยมันไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงว่าจะต้องเวลานี้คือเวลาปฏิบัติธรรมเวลานี้คือเวล า, าพักผ่อนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็คือการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ดื่มกินพูดคิดทานข้าวหรือแม้จะไปเที่ยวช้อปปิง้งตามห้างสพินค้าต่างๆเราก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะ เพราะว่าสิ่งเราเนี่ยมันเป็นชีวิตจําบัลลังได้ <c oughs> โดยที่ว่าเรากลับมารูดความจริงตามที่พระเจ้าบอกนั่นแหละะเดินก็รู้เดินยืนก็รู้ยืนนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนหรือทําสิ่งใดก็ให้รู้ในสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในทางโลกนี่แหละมันไม่ใช่ว่าเราเสพเปรยียบแต่ถ้าเรา <c oughs> รู้จักว่าการมาทำเป็นอย่างไรแล้วเราก็ทําได้ตลอดเวลามันสามารถที่กลับมาศึกษากายและใจของเราได้นะ ครั้นี้เมื่อเรา <c oughs> เริ่มต้นด้วยกายแล้วเนี่ยมันก็จะไปเห็นจิตเนะ <c oughs> <c oughs> เห็นจิตนี่เห็นอย่างไร <c oughs> พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่านะในในในข้อจิตตานุปัสนานะบอกว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้มีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะแล้วจิตไม่มีราคากระก็รู้จิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะ จิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะ <c oughs> จิตตั้งมัน่นก็ให้รู้จิตตั้งมัน่นก็คือให้รู้ติดจิตจ ต, ตามความเป็นจริงนั่นเองนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออจิตมีโทสะก็ให้ไปละโทสะอ่าต่างๆเหล่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราเราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงนะการที่เรารู้กายนี่แหละเมื่อเราไม่ได้ไปบังคับเขาจิตก็จะคิดไปนะแต่ว่าเขาก็คิดไปไม่นานนะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าเมื่อเราอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ย ความคิดที่เข้าไปในอดีตหรืออนาคตมันก็ไปไม่ได้มันก็จะกลับมาเราเห็นว่าความคิดนะมันกแ็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเท่านั้นเองนะอันนี้ดูดูด้วยผู้ที่มีปัญญานะก็จะเห็นในสิ่งเหล่านี้นะจริงๆแล้วนะความคิดเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้แล้วนะเอว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปนะแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับมาน้อมที่จะมาศึกษาในตรงนี้ว่าความคิดเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นะแต่เรากลับมาดูนิดนึงอ้อเขาก็ดับไปแล้วนะเขาแสดงความดับให้เราเห็นแล้วนะแล้วมันก็ดับไปจริงๆเนี่ยถ้าเราน้อมกลับมาตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นการสอนจิตให้จิตเขาเดินปัญญาได้เร็วขึ้นนะจิตจะเห็นปัตยรักได้เร็วขึ้นนะซึ่งตรงคำเราแค่เออรู้เฉยๆแล้วเราก็ไม่ได้น้อมกลับมาอสอนจิตบ่าลมจิตให้เขาเกิดปัญญาที่เขาให้ใหเห็นในตรงนี้ว่าเออเขาเกิดแล้วก็ดับได้เนาะนะ เนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเรากลับมาศึกษาในตรงนี้คือสามารถเห็นแล้วก็สรุปให้จิตฟังนิดนึงเขาจะเกิดปัญญาได้เร็วขึ้นนะหรือแม้แต่จริงๆความคิดเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าเขาคิดเองไม่ใช่เราคิดหรอกนะแล้เรายังไม่รู้เลยว่าอีกนาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะเขาคิดเองเขาคิดทั้งวันของเขาอยู่แล้วนะความคิดที่เขาไม่ตั้งใจคิดเป็นความลักคิดเนี่ย จริงๆแล้วเขาคิดเองตลอดเลยนะเขาไหลไปตามความเคยกินในดิตนอนาคตนั่นแหละคราวนี้ <c oughs> เมื่อความคิดเช่นั้นเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราเราจะรู้ทันเอขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะนั่นนั่นแหละคือสติแต่ถ้าเราช่วยเขานิดนึงสอนเขานิดนึงหรืออบรมเขานิดนึงบ้างนี่แหละเขาคิดเองไม่ใช่เรานะนี่มันเป็นการเดินปัญญาเ <c oughs> ดินปัญญาในการเห็นระไตรลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเขาทางานเองไม่ใช่เรา ทำงานนะเพราะฉะนั้นเขาจึง <c oughs> ไม่ตัวไม่ตนของเราแลบา้บังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกการที่เราเดินปัญญาเนี่ยมันเป็นขนทางแห่งความพ้นทุกข์ทิฏฐิจริงนะเพราะว่าการที่ <c oughs> ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะไม่ว่าจะวิธีการอะไรก็แล้วแต่มันต้องเข้ามาเห็นเมาตไตรักษ์ให้ได้นะแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีปัญญาที่ท่านสามารถเดินปัญญาได้เองท่านปฏิบัติธรรมไม่นานท่านจะเห็นเป็นแค่รูปแค่นาม นะเห็นสภาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นอนิจจังทุกขังาตานะเห็นสภาพว่ที่มันไม่ตัวไม่ตนนี่ได้เร็วนะแต่ว่าพวกเราระดับเราเนะีเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นทีอ่อาจจะมีอะไรน้อยอยู่ท่านนะมันก็ไปบัติมาต้องนานแล้วทําไมบัตรมาต้องหลายปีแล้วนะเราเราจึงไม่ก้าวหน้าเราจึงไม่พ้นทุกนะเพราะว่าเราการเดินบัญญาเราเนี่ยน้อยหรือว่ามันจะไม่เดินบัญญาเอาซะเลย นะเพราะนั้นจิตมันก็เลยไม่ไม่ได้มีการปล่อยการวางการมสติดไม่ได้เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนะเพราะนันตรงนี้ก็เลยอาศัยตรงนี้แหละคือจิตมันแสดงจริงๆแล้วกายและใจยงเขาแสดงพไตยรักให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วนะอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ไหมเรากลับมาชี้เขาที่เขาเห็นสักนิดหนึงได้ไหมหรือมาอบรมใจได้ไหมว่านี่แหละคือสภาวธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะ สภาวะธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นในตลอดเวลาน ะ, ะบางทีเราไปบททัติธรรมแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ไปบัติแล้วดีน ะ, ะมะีสติมีความรู้สึกกับทั้งวันเลยอแต่พอวันนี้แล้วทําไมมันมันไม่ดีเมื่อวานนะเราก็จะมีความทุกข์ก็มันไม่ดีแล้วนะจิตเราตกแล้วอหรือเราไปบัตรแล้วไม่ได้เรื่องนะอันเนี้เราก็จะมีความทุกข์อีก แต่ถ้าเราเรากลับมาดู <c oughs> นี่แหละเพราะว่าเขาแสดงพระไตรักให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาจึงไม่เที่ยงนะเขาแสดงความจริงเช่ น, นี้แล้วนะเมื่อเรากลับมาเห็นเช่นนี้มันจะเกิดปัญญาเลยที่เขาไม่เที่ยงเขาไม่ดีเมือนเมื่อวานเนี่ยเพราะาเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะตรงนี้ถ้าเรากลับมาให้เขาเห็นบ่อยนะมันต้องเห็นบ่อยด้วยเพื่อให้จิตเขาเข้าใจว่าตรงนี้เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยทุกๆอย่าง เพราะฉนั้นเขาจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะจากการนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกลับมานะให้ให้เห็นปัตยรักไนดะ้ชัดเจนนะหลังนั้นที่เมื่อจิตเริ่มเข้าใจล้วจิตก็เริ่มปล่อยเริ่มวางนะเริ่มไม่ยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนในตรงนี้จากการที่จิตเขาเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดนั่นแหละมันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์นะเขาเรียกว่าเป็นวิลาคะคือการที่จิตเขาคลายออกนะจากการยึดติดความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นตันหา อาเป็นอุบาทว์ในใจเรานะตรงเนี้สิ่งเที่ยวาครนะมันอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าการคลายความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะเความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันเป็นความยึดมั่นที่มันยึดมั่นมานานแล้วในความตรงนี้และเป็นความยึดมั่นที่เมื่อมีอะไรกระทบตัวตนของเราแล้วเราจะรู้สึกมันทนไม่ได้นะทนไม่ได้ที่ว่าเราจะต้องไปจัดการกับมัน ให้มันดีให้มันวิเศษไปตามที่เราต้องการนะแม้แต่มีใครมานินทาเรามาว่าเรามาตําหนิเราเราจะทนไม่ได้แต่ถ้าไปนินทาคนอื่นนะเราสามารถฟังได้อย่างสบายหรือฟังอย่างมีความสุขแต่เมื่อไหรที่มากระทบเราเราจะทนไม่ได้นะเราจะมีสวนได้เสียทุกๆเรื่องไปนะตรงนี้คือความที่มีตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นพูดง่ายๆว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวใหญ่นะ มันจะเป็นเหตุให้ลำให้เราเวียนวายตายเกิดนับพบในาชาไม่ถ้วนเพราะเมื่อมีตัวเรามันก็เลยมีกิเลสของเรานะมีเราลักเราชางังเราเกลียดเราโกรธมีภรรยาสามีของเรามีลูกของเรามีสมบัติของเราเป็นความยึดมั่นต่างๆตามมามากมายเหมือนที่เรียกว่าเหออมือนกับมีขวงมาผูกขาผูกคอผูกเท้าต่างๆนี่แหละมันเป็นความยึดติดความยึดมั่น ความยึดติดยึดมั่นนี่แหละมันคืออุปทานนะอุปทานแล้วหล้างอุปทานมันคืออะไรก็คือภพคือชาติคือชราคือมรณะคือทุกข์ที่จะตามมาเพราะว่าถ้าไล่ตามปฏิจจสมบัติก็เป็นในแนวนี้นะคราวนี้ไล่เพียงกลางๆก็แล้วกันว่าการที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นน่ะคือการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นมันก็จะเกิดเวทนาคือความยินดียินร้ายหรือเฉยๆเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความทะยันอยาก ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดประทานคือความยึดติดยึดมั่นถือมั่นอุบทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชร า, ามรณะมีทุกข์ต่างๆตามมามากมายเพราะฉะเราจะเห็นว่า อ, อจริงๆแล้วนะเราไปยึดติดในอะไรบ้างใช่ไหมตรงนี้มันสามารถที่จะสังเกตได้เพราะการที่เราไปยึดติดอะไรก็แล้วแต่มันก็คือภพคือชาติทั้งนั้นนะอย่างเช่นโคโมูลานเขบอกว่า อ, อใครที่ ก ด, กดบ่อยๆนะโกรบ่อยๆอันนั้นแหะไปเกิดเป็นอาสัตว์นรกนะใครที่โลคบ่อยๆคนนั้นก็ไปเกิดเป็นเป็นเปรตนะหรือใครที่ลงบ่อยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดี้ยฉานใครที่มีจิตใจดีก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างนะใครรักษาศีลมีโหตระปะทำบุญต่างๆเยอะก็ไปเกิดเป็นสวรรค์ใครที่เจริญสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมใครที่เจริญอ ร, ปอรูปอรูปฌานก็ไปเกิดวัลลุบพรหมก็คือ จิตที่มีสภาวธรมรมอะไรก็แล้วแต่นะอะ่ามันจะมีภพภูมิรองรับอยู่ทุกๆภพภูมิอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตเราไปติดในสภาวธรรมใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ามันมีมันมีภพภูมิมรมองรับอยู่ทุกๆสภาวธรรมนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องในการที่เราจะต้องไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ก็คือไม่ต้องให้เขาติดในทุกสภาวธรรมเลยนะไม่ต้องติดทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละ นี่มันไม่มีพหุภูมิมารองรับนะเพราะงั้นการที่เราจะรู้ว่าเขาติดแล้วไม่ติดเนี่ยประการแรกเราสังเกตได้ไหมสังเกตทันได้ไหมว่าขณะนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเราจิตมีราคะรู้ไหมว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ไหมว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ไหมว่ามีโมหนะสะภาวะรำอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่นะนะเราต้องรู้ให้ทันนะการรู้ทันนั่นแหละคืกว่าเราสามารถที่จะกลับมาสังเกตเขาได้ได้ไวนะได้ไวขึ้น เพราะอย่างที่หลวงพ่อมเขียนบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกในทางกายได้แล้วเราจะสังเกตใจได้ใน ไ, ไวขึ้นเพราะการที่อย่างที่ได้บอกเรื่องต้นแล้วว่าการที่เรารู้กายนั่นแหละคือปฏจจบันธรรมนะเมื่อจิตไหลไปในอดีตรหรืออนาคตเราก็จะรู้ทันได้เร็วเพราะว่ามันหลุดออกจากปัจจุบันการเราสามารถสังเกตใจได้สังเกตความคิดได้เราก็จะสังเกตอารมณ์ต่างๆได้ด้วยนะอ่า จริงๆแล้วอารมณ์ทุกอย่างนะมันเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นความโกรดนี่แหละอ่าถ้าใครก็มาด่าแล้วนะเรารู้เฉยๆแล้วไม่คิดต่อแล้วไม่โกรธหรอกแต่ถ้าเราคิดปั๊บเออด่าเราทำไมเรื่องที่ทำไมต้องมาด่าเรานะหรืออ่าไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครมันจะเกิดความโกรธไม่ทันทีเลยนะพะนี้จริงๆแล้วก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าอารมณ์ทุกอย่างนั้ะมันเกิดจากความคิดเราทั้งนั้นเ<ล>พราะนั้นเมื่อเราสามารถสังเกตความคิดได้เราจะสังเกตอารมณ์ต่างๆได้ด้วยอ่ กิเลสทั้งหลายนะหรือลมทั้งหลายกิเลยทั้งหลายมันกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวเรารู้ทันนะพอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเขาจะน้อยลงเขาจะเบาลงทันทีเนาะนะการรู้ทันนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจ ะ, ะสามารถที่จะให้กิเลยเขาลดน้อยลงไปนะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเขาจะเติบใหญ่ในโตในจิตใจเราขึ้นไปเรื่อยๆนะการรู้ทันเปรียบเส ม, มือนว่าเราเป็นเจ้าของห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะ มันจะมีของหายอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวของนู้นหายของนี้หายเราก็มีความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ความวันนึงเราเริ่มสังเกตเห็นแล้วไอ้คนนี้มันหน้าตามันมีพิรุษนะท่าทามันก็เหลวซ้ายแหลขวาหลอกแหลกกระเป๋ามันมันก็มีอะไรตรงๆอยู่แต่เราก็สงสัยเราก็แต่เราก็คอยมองหน้ามันนะครั้นี้มันก็ไอ้คนนี้จริงๆเราเป็นขมโมยนะมันมันมองเห็นเรามองเ้าผิดสังเกตก็เริ่มรู้เอองสงสัยเขาจะรู้จักแล้วหมาเราเป็นขโมย พอวันต่อมาเขาไม่กล้าเข้ามาในร้านเราแล้วเขาจะกลัวนะนึกว่าเรารู้แล้วเป็นขโมยนะหลังนั้นเขาจะไม่ค่อยมานะแต่นานๆเขาก็จะมาทีเพราะฉะนั้นกิเลสในใจเราเมันกันนะเช่นความโกรดนี่แหละนะพอเขาเกิดมาปุ๊บเรารู้บ่อยๆนะความโกรธมาเราก็รู้นะรู้นะเขาจะลดลงไปเองนะเราไม่ได้อเปละเขาหรอกเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วเรารู้ว่าความโกรธมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีะเป็นสิ่งที่ทําร้ายจิตใจเราให้เรามีความทุกข์นะ การที่เรารู้เข้าบ่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มลดลงไปในตัวนะพอเกิดปุ๊บเรารู้นะเขาจะเริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยเนี่ยหลังนั้นเขาก็จะไม่ค่อยมาเขาจะนานๆเข้ามาทีนึงเนี่ยตรงนี้นะคือมันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่มันสามารถที่จะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเขาก็จะละแล้วเขาก็จะดับไปนะเราจะเห็นสภาวธรรมต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโดยเราไม่ต้องไปให้ค่าให้ค่าสิ่งเหล่านั้น นะมันจะเหมือนกับใบบอลน ะ, ะน้ําเราจะไปห้ามน้ําหยดลงมาใบใ บ, ใบบบอลได้ไหมห้ามไม่ได้นะแตเแเ่เมื่อเขาหยดล ง, งมาแล้วเนี่ยเมื่อจิตเราเป็นใบบอลเขาก็จะผ่านไปมันไม่ได้เป็นทิชชู่แบบสมัยก่อนแล้วนะมันจะผ่านแล้วก็หลุดไปเราเห็นว่าวะทำนุษยยา ม, มันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แลว้วดับไปไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะมันตรงเนี้พอเราเห็นตรงนะี้ตรงนี้ปั๊บจิตที่เกิดการไม่ให้ฆ่าไม่ใกิจะเกิดขึ้นเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการที่เราปล่อยละวางไม่ยึดติดนั่นแหละ จะทําให้อุปทานในใจเราเลดลงไปเรื่อยๆอต่อไปจิตเราจะเริ่มสังเกตได้ละเอียดขึ้นจากกิเลสแบบหยาบน ะ, ะเช่นความโกรธต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเบาลงไปแล้วแล้ว เ, เราจะสังเกตสิ่งที่มันละเอียดได้เช่นมานะน ะ, ะมานะคือความที่เราดีกว่าคนอื่นเขาเราเลวคนอื่นเขา้าหรือเราเท่ากับเขาเนี่ยมันจะสังเกตตรงนี้ได้ชัดเจนนะอย่างบางทีเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความภูมิใจ เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องดีอยูคนอื่นนะมีสติดีอยูคนอื่นอต้องไม่โกรธต่างๆแล้วเนี่ยอแต่พอวันนึงมีคนเขาบอกว่าเออเธอไม่มีสติเลยะพูดกันนี้เราก็โกรธแล้วโกรธเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติมาว่าเราไม่มีสติไม่ได้นะแต่คนทั่วๆไปพูดเรื่องนี้ยเขาก็ไม่โกรธหรอกเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าเราคิดว่าเราดีอยูคนอื่นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องสังเกตให้ได้ว่าเราติดในอะไรถ้าเราติดในสิ่งดีอะันก็ เราก็จะไปเพ่งโทษคนที่ทําไม่ดีคนทําชั่วนะเราติดในสิ่งถูกก็จะไปเพ่งโทษคนที่ทําไม่ถูกคนทําผิดมันก็ไม่ยังติดอยู่ดีนะอติดในความดีบ้างติดในความถูกบ้างนั่นแหละคือภาวะทํามนี่มันติดอยู่ด้านนี่คือกิเลสที่เราที่ละเอียดที่ต่อไปเราสามารถสังเกตในสิ่งเหล่านี้ได้นะเมื่อเราสังเกตได้มันก็จะลดลงเบาลงนะเพราะสิ่งสําคัญก็คือเรารู้ไม่ว่าเราติดในอะไรอยู่นะเมื่อเรารู้แล้วก็จะลดลงไปเอง เมือ่อคนเป็นบ้านะคนเป็นบ้าเนี่ยเมื <c oughs> ่อใดที่ยังไม่รู้ตัวเองเป็นบ้ามันจะไม่หายแต่ถ้าเมื่อใดที่ตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเป็นบ้านนะมันจะเริ่มหายแล้วนะมันจะเริ่มหายนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยมันจึงต้องสังเกตให้ได้ว่าเรามีอะไรอยู่ในใจเรานะเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมเราจรึงไม่ต้องไปเอาดีให้เรารู้ตามเขาเป็นดีกว่านะเราจะได้สังเกตเขาได้ง่ายขึ้นให้แสดงมาเลยความโกรธแสดงมาเลยแล้วเรารู้ทันไหมความความโลภแสดงมาเลยเรารู้ทันไหม ดีไปไปหลบไปซ่อนเขาไปคอยเก็บคอยกดเขาแล้วเราก็ไม่เห็นความจริงแล้วเราก็จัดการอุปทานตัวนั้นไม่ได้ไมันจะอยู่ในใจเราไปตลอดกาลนานนะและผูุ้ปทานนี่แหละมันจะนําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาไม่ท้่วนนะผู้จะทรงตัดว่าการเกิดทุกคราวมาเป็นทุกล่ําไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะให้เรากลับมาอยู่กับปีวันให้ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะ ไม่ต้องจัดการเข้าลราแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะเราจะเห็นความจริงในตรงนี้ว่าระบังคับเข้าไม่ได้หรอกเข้ามาแล้วก็ไปเห็นอนิจจังทุกขนะตาได้ชัดเจนนะตรงนี้จะทําให้จิตเกิดการปล่อยการวางการมีติดนะเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นแล้วภพชาติก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นสาระสาคัญที่เรามาปฏิธรรมที่วัดป่าสุตโตในช่วงปีใหม่นี้นะเพราะฉะนั้นในในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบรารมี คุณพระตาไตน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน